พระเจริญนำคณะผู้สแสวงบุญเข้าไปนมรสการหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีแล้วจึงพาไปนั่ง ที่บริเวณต้นพระศีมหาโพธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเข้าไปนมัสการหลวงพ่อเมตตาบ้างเมื่อนั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมัคุเทศจึงนำบูชาพระรัตนตรยัยแล้วจึงเริ่มการบรรยายเมื่อเช้าเราได้สวดบูชาสถานที่ตรัสรู้กันแล้วต่อไปอัตมาก็จะอธิบายเหตุการณ์ตอนพระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุข เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์วิมุตติสุขแปลว่าอะไรคะนางสาวสายใยรักถามด้วยว่าหล่อนต้องนำความรู้ไปถ่ายทอดให้มารดาฟังพระมะคุเทศจึงตอบว่าแปลว่าสุขเกิดจากความหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้ามองและทุกข์ทงปวงในสัปดาห์ที่หนึ่งทรงประทับภายใต้ร่มพระสีมหาโพธิ์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 ถ้ามีการสวดมนต์ผมขอให้ท่านนำทุกครั้งเลยนะเพราะท่านเสียงดีกว่าผมลุงพ่อวัดดอนเมืองมอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูบรรพชิตวัยใกล้หกสิบจึงต้องนำสวดว่าอาวิชชาปัจจยาสังขารา สังคารปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณปัจจะยานามรูปังนามรูปะปัจจะยาสลายตัณังสลายตนะปัญจพัทโศพัทสสะปัจจะยาเวทนาเวทนาปัจจะยาตัญหา สัญหาปัจจะยาอุปาทานังอุปาทานาปัจจยะยาภวภวปัจจะยาชาติชาติปัจจะยาชรามารังโสกะปริเทวทุกขโทมนสุปายาสาสมภวันติเอวเมตาสา ทุกขคันทัสะสมุทโยโหติอวิชายเตวะอเสสาวิรคะนิโรธาสังขารนิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธา นามรูปานิโรธานามรูปานิโรธาสลายตนะนิโรธาสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรธาผัสสนิโรธาเวทนานิโรธาเวทนานิโรธาตัณหานิโรธา ตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรโธอุปาทานานิโรธาภวะนิโรโธภวะนิโรธาชาตินิโรธโรธาชาตินิโรธา ช, า ร, ธาชารามารณงโสกะปริเทวทุขทโทมานาสุ ป, ปายา นิรุชันตีเอวเมตสะเกวลาสะทุกขคันทสะนิโรโทโหตีพระอาจารย์คะดิฉันอยากทราบความหมายของบทสวดนี้จังเลยคะ่ะพระอาจารย์กรุณาแปลให้ฟังได้หรือเปล่าคะขนาดยังไม่ทราบความหมายดิฉันยังรู้สึกขนลุกเพราะทราบซึ้งคงจะมีความสําคัญมาก พระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาเป็นลำดับแรกนางสาวสายใหญ่รักพูดด้วยความซาบซึง้งนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองหรือหลวงพ่อวัดป่ามม่วงช่วยแปลได้ไหมครับผมไม่ถนัดเรื่องนี้เลยพระมะคุเทศขอความช่วยเหลืออีกนิมนต์ท่านพระครูก็แล้วกันผมมั่นใจว่า ท่านอธิบายได้ดีกว่าผมแน่นอนลุงพ่อวัดดอนเมืองมอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูอีกครั้งตกลงถ้าผมพูดนานเกินไปลุงพ่ออย่ารำคาญก็แล้วกันเพราะลงได้พูดผมมักจะติดลมตามสบายครับผมจะได้ฟังไว้เป็นกำไรชีวิต นี่ผมได้ประสบการณ์มากมายทั้งที่มาได้สองวันข่าวันนี้ลุงพ่อวัดดอนเมืองหวังกอบโกยความรู้เต็มที่ผิดกับพระหนุ่มสามรูปที่อยากมาเที่ยวมากกว่ามาหาความรู้ถ้าเช่นนั้นผมก็ขออนุญาตเป็นมักคุเทศช่วคราวนะครับท่านพระครูพูดออกตัวแล้วจึงเริ่มการบรรยาย ปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเพราะตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาผลย่อมเกิดขึ้นจากเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆโดยปราศจากเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทําให้มันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาท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 ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจึงมีพร้อมความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งปวงจึงมีได้ด้วยประกาศนนี้นี้เรียกว่าอนุโลมปฏิจจสมุปบาทส่วนกระบวนการดับเรียกว่าปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทมีดังนี้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 ความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการชนี้เท่าที่ผมฟังปฏิจจสมุปบาทมีองค์ประกอบสิบสองหัวข้อลุงพ่อจะกรุณาอธิบายทั้งสิบสองหัวข้อได้ไหมครับเริ่มตั้งแต่อวิชชาผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ สามีโยมหองใสพูดขึ้นท่านพระครูมองหน้าเขาก็รู้ว่าบุรุษผู้นี้จะมาได้ของดีในแดนพุทธภูมิเจงถามคนอื่นๆว่ามีใครไม่เห็นด้วยกับโยมเสงษ์ขอให้ยกมือขึ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยกมือพระขุนทศพระรสุคนและพระทวัต พร้อมใจกันเข้าชานจนน้ําลายไหล ย, ยืดท่านพระครูจึงบอกพระมคุเทศให้นิมนต์พระหนุ่มสามรูปออกจากชานเพื่อมาฟังสิ่งที่เป็นสาระเมื่อถูกปลุกพระหนุ่มทั้งสารู้สึกหงุดหงิดเพราะกําลังหลับเพลินครั้นเห็นญาติโยมฟังอย่างตั้งอกตั้งใจก็เกิดความละอายรู้สึกเกรงใจโยมเสียงกับโยมห่องใส ที่ออกค่าใช้จ่าย ใ, ให้ในการมาครั้งนี้จึงต้องฟังอย่างตั้งอกตั้งใจบ้างเพราะอย่างน้อยก็จะไม่ต้องอาโยมสายใยรักสมภารวัดป่ามะม่วงบรรยายต่อด้วยการอธิบายคำจำกัดความองค์ประกอบสิบสองข้อของปฏิจจสมุปบาทท่านรู้ว่าเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจสัจธรรมอย่างท่องแท้ แม้คนฟังจะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ท่านก็ต้องอธิบายเพราะคนที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าใครเพื่อนคือโยมเสงรองลงมาคือนางสาวสายใยรักส่วนคนที่เหลือแม้จะไม่เข้าใจนักหากก็ยังดีกว่าไม่ได้ฟังเส้นเลยคิดดังนี้แล้วท่านจึงเริ่มการบรรยาย องประกอบ12ข้อของปฏิจจสมุปบาทมีดังนี้ข้อที่หนึ่งคืออวิชชาแปลว่าความไม่รู้คือไม่รู้ในทุกข์เหตุเกิดทุกขความดับทุกขและข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์กล่าวโดยสรุป ค, คือความไม่รู้อริยสัจสี่ท่านรสสุขคน ช่วยอธิบายให้ญาติโยมฟังหน่อยว่าอริยสัจสี่คืออะไรท่านถามพระรสุคนเพราะรู้ว่าถ้าไม่ถามภิกษุหนุ่มก็จะฟังเพลินจนเข้าฌานอีกอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐครับแยกสั์ออกเป็นอริยะกับสัจจะอริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะแปลว่าความจริงอริยสัจสี่ จึงแปลว่าความจริงอันประเรสริฐสี่ประการได้แก่ทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธและทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาครับพระรศคนตอบฉะฉานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรจำเป็นดีมากขออนุโมทนาท่านให้กำลังใจพิกษุหนุ่มแล้วจึงบรรยายต่อ เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีองค์ประกอบข้อที่สองคือสังขารแปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งมีสามอย่างคือสภาพที่ปรุงแต่งกายเรียกว่ากายสังขารได้แก่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเราต้องหายใจเข้าและหายใจออกจึงจะมีชีวิตยอยู่ได้ ถ้าไม่หายใจหรือหายใจเข้าแต่ไม่หายใจออกก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้จริงครับหลวงพ่อถ้าหายใจออกโดยไม่หายใจเข้าก็ต้องมอดม้วยมรณาเช่นกันพระคุณทศอยากมีส่วนร่วมบ้างถูกแล้วที่ผมใช้สำนวน ว, นว่ามอดม้วยมรณาที่วาวายแวบเป็นปลาแปลบบ เป็นปลาแป บ, บปิ้งใครจะเอาไปใช้ก็ได้ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ท่านพระครูช่วยเสริมแล้วจึงอธิบายต่ออย่างที่สองคือสภาพที่ปรุงแต่งวาจาเรียกว่าวจีสังขารได้แก่วิตกและวิจารวิตกแปลว่าตรึกตรึกแปลว่าคิด วิจารแปลว่าความตรองคือพิจารณาเพราะเมื่อเราจะพูดอะไรออกมาจะต้องคิดและพิจารณาเสียก่อนส่วนสังขารอย่างที่สามคือสภาพที่ปรุงแต่งใจเรียกว่าจิตตสังขารได้แก่สัญญาและเวทนาสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งเป็นข้อที่สาม วิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งอารมณ์ไม่ได้แปลว่าผีนะอย่าเข้าใจผิดวิญญาณมีหกได้แก่ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณทางลิ้นเรียกว่า ชิวหาวิญญาณทางกายเรียกว่ากายวิญญาณและความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปคือนามและรูปเป็นข้อที่สี่นามได้แก่เวทนาสัญญา เจตนาผัสสะและมณสิการส่วนรูปก็คือรูปไหนใครไม่รู้ว่ารูปคืออะไรถ้ารู้จะได้ไม่ต้องอธิบายท่านถามคนฟังรูปคือร่างกายใช่ไหมคะหลวงพ่อนางสาวสายใยรักถามขึ้นจะตอบอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ในที่นี้ รูปหมายถึงอารมณ์ที่รู้ได้ด้วยจักขุซึ่งก็คือสิ่งที่ปรากฏแก่ตาต้องปรากฏแก่ตาเท่านั้นนะถ้าปรากฏแก่ยายอาตมาไม่ทราบว่าจะเรียกอะไรท่านตั้งใจพูดให้คนฟังรู้สึกสนุกเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่เข้าใจยากที่สุดหากบรรยายแต่เนื้อหารุนๆน คนฟังจะคิดว่าเป็นเรื่องหนักเกินไปต่อไปก็เป็นข้อที่ห้าคือสลายตนะแปลว่าอายตนะหกอายตนะแปลว่าที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้อายตนะหกก็คือที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หกทางคือทางตาทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางกายและทางใจกิเลสที่เข้ามาสู่ตัวเราก็เข้ามาทางอายตนะหกนี่เองเพราะสลายตนะมีผัสสะจึงมีผัสสะซึ่งแปลว่าความกระทบเป็นองค์ประกอบข้อที่หกความกระทบทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสทางหูเรียกว่า โซตะสัมผัสทางจมูกเรียกว่าคานสัมผัสทางลิ้นทางกายและทางใจเรียกว่าอะไรท่านคุณทศกรุณาตอบผมด้วยท่านเห็นพระคุณทศทำตาปรือจึงถามชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมนโนสัมผัสครับพระหนุ่มตอบ ตาปลือกกับกลายเป็นตาใสาในพริบตาถูกต้องต่อไปเป็นข้อที่เท่าไรข้อเจ็ดครับอุบาสกคนหนึ่งตอบถูกแล้วข้อเจ็ดคือเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์มีหกได้แก่ การเสวยอารมณ์เกิดจากผัสสะทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสสัจชาเวทนาการเสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางหูเรียกว่าโสตะสัมผัสสัจชาเวทนาที่เหลือขอให้ท่านเจริญอธิบายต่อท่านมอบหน้าที่ให้พระมกคุเทศผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ครับหลวงพ่อ นีหมดลวงพ่อวัดดอนมืองดีกว่าท่านโยนกลองไปให้ภิกษุอาวุโสผมตอบได้แน่แต่ผมอยากให้โอกาสญาติโยมก่อนมีโยมคนไหนจะตอบก่อเชิญโยมเสียงยกมือขึ้นและตอบว่าการสวยอารมณ์เกิดจากผัสสะทางจมูกเรียกว่าคานสัมผัสสัชวทนา การเสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสสัชาเวทนาการเสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางกายเรียกว่ากายสัมผัสสัชาเวทนาและสุดท้ายการสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางใจเรียกว่ามโนสัมผัสสัชาเวทนาครับโยมเสงี่ยตอบรู้สึกสงสัยเหมือนกันว่า เหตุไนจึงตอบได้ขออนุโมทนาโยมเข้าใจจมแจ้งและถูกต้องอัตมามั่นใจว่าโยมจะต้องมาได้ของดีที่แดนพุทธภูมินี้ท่านพระครูพูดตามที่เห็นสาธุโยมเสียงน้อมรับพร้อมกับยกมือประนมเมื่อกล่าวคำว่าสาธุจากนั้น ท่านพระครูจึงบรรยายต่อเวทนาเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสลายตนะวัครพระไตรปิฎกเล่มที่18ตั้งแต่ข้อ431อถึงข้อ434ข้อ431สอตรัสถึงเวทนาสองได้แก่ กายกะเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์ทางกายกับเจตสิกเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์ทางใจข้อ432ตรัสถึงเวทนาสได้แก่สุขเวทนาคือความรู้สึกสุขสบายทางกายก็ตามทางใจก็ตาม ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกไม่สบายทางกายก็ตามทางใจก็ตามและอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยจะสุขก็ไม่ใช่ทุกก็ไม่ใช่เรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาเวทนาข้อ433ตรัสถึงเวทนาห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 บางคนก็ไม่รู้สึกปวดหรือเมื่อยเพราะถูกเนบชารุกรานเหมือนกับอาตมาในขณะนี้แล้วหลวงพ่อกำหนดชาหนอหรือเปล่าครับท่านพระครูยาวผมกำหนดสามครั้งแล้วก็ไม่สนใจมันอีกอยากชาก็ชาไปเดี๋ยวมันก็หายเพราะมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนผมจึงไม่ไปจับไปยึดมันลุงพ่อวัดดอนเมืองตอบด้วยภาษาธรรมลุงพ่อไปไกลแล้วนะครับผมหมายความว่าลุงพ่อปฏิบัติก้าวหน้าไปไกลแล้วญาติโยมพยายามตามท่านให้ทันนะ สมพานวัดป่ามะม่วงกึ่งชื่นชมกึ่งเยา้าลุงพ่อยังอธิบายเวทนาห้าไม่จบนะครับนิมนต์อธิบายเวทนาห้าข้อที่สามครับเย้าพอหอมปากหอมคอแล้วจึงนิมนต์ให้บรรยายต่อเวทนาห้าข้อสคือสมนัสแปลว่า ความแช่มชื่นสบายใจสุขใจข้อสี่โทมนต์แปลว่าความเสียใจทุกข์ใจและข้อหคืออุเบกขาแปลว่าความรู้สึกเฉยเฉยเวทนาห้าก็เหมือนเหมือนกับเวทนาสามเพียงแต่แยกระหว่างกายกับใจ ส่วนเวทนาหกก็คือที่ท่านพระครูอธิบายไปเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นข้อส3 4สาต่อไปก็นิมนต์ท่านอธิบายองค์ประกอบของปฏิจะสมุปบาทข้อที่8ครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองนิมนต์ท่านพระครูบ้างข้อที่8คือตัณหาแปลว่า ความทยานอยากตัณหามีสามได้แก่กามตัณหาคือความทยานอยากในกามอยากได้กาล ม, มาคุณคือสิ่งสนองความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายภวะตัณหาคือความทยานอยากในภพอยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปและวิภวะตัณหา คือความทยานอยากในวิพภพอยากทำลายอยากให้ดับสูญตั้นหาเป็นปัใจจัยให้เกิดอุปาทานซึ่งเป็นองค์ประกอบข้อที่9อุปาทานแปลว่าความยึดมั่นความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสมีสี่ได้แก่กามุปาทานแปลว่าความยึดมั่นในกามคือรูป เสียงกลิ่นรสโหดทพะที่น่าใคร่น่าพอใจทิฏฐปาทานแปลว่าความยึดมั่นในทิฏฐหรือริศดีคือความเห็นลัทธิหรือหลักคำสอนต่างๆศีลพัตตุปาทานแปลว่าความยึดมั่นในศีลและพรษคือหลัก ความป ร, รับพฤติและข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีลัทธิพิธีต่างๆโดยสักว่ากระทาสืบๆกันมาหรือปฏิบัติตามๆกันไปอย่างงมงายหรือนิยมว่าครั้งศักดิ์สิทธิ์มิได้เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล อัตวาทุปาทานแปลว่าความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนคือความถือหรือสำคัญหมายอยู่ในภายในว่ามีตัวตนที่จะได้จะเป็นจะมีจะสูญสลายถูกบีบคั้นทำลายหรือเป็นเจ้าของเป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่างๆได้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 ภาวะชีวิตของสัตว์หรือโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์มีสามได้แก่กามภพหมายถึงภพของสัตว์ผู้ยังเสวยกามคุณคืออารมณ์ทางอินทรีย์ทั้งห้ากามภพได้แก่อบายสีมนุษยยโลกหนึ่งและกามาวจรสวรรค์ทั้งหกรวมเป็นสิบเอ็ด ท่านคุณทศช่วยอธิบายให้ญาติโยมฟังด้วยว่าอบายสี่และกามาวจรสวรรค์หกมีอะไรบ้างท่านพระครูมอบหมายหน้าที่ให้พระคุณทศพระหนุ่มตอบฉะชานว่าอบายสี่ได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรฉานส่วนกามาวจรสวรรค์หกได้แก่หนึ่งจาตุมหาราชิกา คือสวรรค์ที่เท้ามหาราชสี่ปกครองเท้ามหาราชสี่ได้แก่เท้าทตรัฐะครองทิศตะวันออกท้าวิรุณหกครองทิศใต้เท้าวิรู ป, ปักครองทิศตะวันตกและเท้าเวสวร์ครองทิศ เ, เหนือ 2. อดาวดึงคือแดนที่อยู่ของเทพสามสสามีเท้าสักกะหรือพระอินทเป็นจอมเทพ 3. ยามา คือแดนที่อยู่แห่งเทพผู้ปราศจากทุก์มีเท้าสุยามะเป็นผู้ปกครองสี่ดุสิตคือแดนที่อยู่แห่งเทพผู้เอิบอิ่มด้วยสิริสมบัติของตนมีเท้าสันดุสิตเป็นจอมเทพห้านิมมานรดีคือแดนที่อยู่แห่งเทพผู้มีความยินดีในการเนรมิตมีเท้าสุนิมิตเป็นจอมเทพและ 6. ปรนิมิตตัวสวัตดี คือแดนที่อยู่แห่งเทพที่สวยสมบัติที่เทพพวกอื่นเนรมิตให้มีท้าวสวัสดีเป็นจอมเทพถูกต้องขออนุโมทนาต่อจากกามภพก็เป็นรูปประพบซึ่งหมายถึงรูปปาวจรภูมิส6หชั้นอันเป็นชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปเรียกว่าชั้นรูปประพรมได้แก่หนึ่ง พรมมปบริสัจธาคือพวกบริวารมหาพรหม 2. พรมมปูโรหิตาคือพวกปูโรหิตมหาพรหม 3. ม, มหาพรห ม, มาคือพวกเท้ามหาพรหม 4. ปริตตตาภาคือพวกมีรัศมีน้อย 5. อัอปปมานาภาคือพวกมีรัศมีประมาณไม่ได้ อาัชราคือพวกมีรัศมีสุขปลั่งซ่านไป 7. ปริฏตะสุภาคือพวกมีรัศมีงามน้อย 8. ปดอปปมาณสุภาคือพวกมีรัศมีงามประมาณมิได้9สุภกินหาคือพวกมีรัศมีงามกระจ่างจ้าสิบ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 ที่สุดทธาวาดภูมิซึ่งมีห้าชั้นนับต่อจากรูปภพมเป็นชั้นที่ส2อวิหาคือเหล่าท่านผู้ไม่เสื่อมจากสมบัติของตน13อตตปาคือเหล่าท่านผู้ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใคร14สุทัสสาคือเหล่าท่านผู้งดงามน า, นาทัศนา15ห้า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 มีหนึ่งอากาสานัญจายตนะภูมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะมีอากาศไม่มีที่สุดสองวิญญาณนัญจายตนะภูมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะมีวิญญาณไม่มีที่สุดสาอากินจัญญายตนะภูมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะไม่มีอะไรและ สีเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บรรยายมาถึงตอนนี้ท่านพระครูรู้สึกเหนื่อยพลันสายตาก็มองไปเห็นแม่ชีป่วนมีอาการกระสับกระส่ายผิดสังเกตจึงวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบเห็นหนอ รายงานว่าแม่ชีป่วนอยากไปห้องสุ ข, ขาท่านจึงพูดขึ้นว่าเอาละอาตมาขอพักเพื่อให้โยมไปทำธุระที่ห้องสุ ข, ขาสิบนาทีแล้วค่อยบรรยายต่อแม่ชีสาธุด้วยเสียงแปดหลอดแล้วรีบลุกออกไปก่อนเพื่อน